เพรานันคนที่ตื่นแล้วคนที่รู้แล้วเนี่ยจะออกมาจะเริ่มรู้เลยมีเสื้อผ้าเยอะๆหลายๆชุดโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วมันทุกจริงๆเริ่มลดออกแต่มายังจําได้เลยอแต่ก่อนจะมารักสวยรักงามนะวุ้ยเสื้อผ้าก็เยอะโอ้ไปตัดไปอะไรรอ ง, ง, งเท้ารองเท้ามีตั้งหลายคู่ไม่แพ้ผู้หญิงหรอกสมัยก่อนเ <c oughs> ออมว้ยสมัยก่อนดัดผมดัดผมมันมาดัดมาแล้วนะ <c oughs> สมัยก่อนโอ้ ตอนนั้นยั ง, งโง่อยู่ตอนนั้นยังตาเมืดตามหมัวเพราะงั้นก็ติดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นน่ะต่อเมื่อมาเริ่มเข้าใจธรรมะนะก็เลยเออเ อ, เ อ, เอจริงด้วยตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจดีนะแต่ว่าสมมาณฑลท่มเทศท่านก็มายืนยันอย่างที่อาตมาบอกให้พวกคุณฟังอยู่แหละท่านก็มายืนยันแล้วท่านก็บอกท่านพิสูจน์มาแล้วว่าความสุขที่เป็นโลกุตะละความสุขที่สลัดออกเนี่ยเป็นความสุขที่ สุดวิเศษยิ่งกว่าความสุขแบบโลกียที่ต้องให้กอบโกยต้องให้ได้มาเยอะๆนั่นแหละตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากหรอกแต่ก็เอท่านก็เป็นนักบวชแล้วท่านก็ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดว่ายังไงท่านก็คงไม่โกหกนะก็เลยเอา้าเดี๋ยวพอลองดูหน่อยต้องลองใหม่ๆลองอยู่คนเดียวไม่กล้าบอกใครเลยในบ้านทั้งบ้านก็ไม่กล้าบอก สมณะอะไรทั้งนี้ก็อนมุมักไม่บอกเลยซุ่มทําอยู่คนเดียวเพราะกลัวหน้าแตกกลัวจะทําไม่ได้ก็เลยแอบทําอยู่คนเดียวแล้วพอทําไปก็เลยหัดลดก่อนจากไม่มีมือก็เลยเริ่มหัดเออกินให้เป็นมือขึ้นมานะเหลือสองมือหรือมือเดียวหัดเสื้อผ้ามีเยอะแยะตั้งหลายตู้เอา้าหัดลดลงมาให้เหลือตู้เดียวร อ, องเท้ามีตั้งหลายคู่หัดหัดเอา้าแจกคนนั้นให้คนนี้เข้าไปบ้าง หลือไอ้ที่เรายังอะไรอ่ะสุดรักสุดหวงเอาไว้บ้างเท่านั้นเองเออแต่เห็นผลจริงๆรงว่าเออมันสบายกว่าเก่าจริงๆด้วยแล้วเพราะทําเองนี่แหละแล้วเห็นเองนี่แหละนี่แหละเราต้องเห็นความจริงด้วยตัวเองคราวนี้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองนะความสุขอันเนี้ยมันเป็นความสุขที่ โอ้โหมันสุดพิเศษจริงๆเพราะมันเบาขึ้นมันไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหนักเหมือนก่อนแต่ก่อนอาตมาเนี่ยเหมือนผู้หญิงจริงๆอ่ะชอบนะมันมีของเล็กของน้อยอะไรมีตู้ต่างหากเป็นตู้โชว์อ่ะตู้โชว์ตู้โชว์ของสวยๆเงาๆอะไรต่างหากนะเอามาเก็บเอามาโชว์เผื่อใครมาก็จะได้แหน่แหั้นมีอย่างนั้นมีอย่างนี้น ะ, ะเนี่ย้านหลังให้หมดเลยแตกหมด แล้วถึงได้เห็นเลยบอกโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาเลยไม่อย่างนั้นไปเดินเที่ยวห้างต้องทุกอาทิตย์ต้องไปเดินเที่ยวห้างไปเดินดูนั่นดูนี่มีอะไรพอจะแน่เอามาเก็บไป้ที่บ้านจะบังโอ้โหเป็นอย่างนั้นจริงจริงวันคราวนี้พอพอเราเห็นสัจจะอันนี้ได้นะแล้วเราทำด้วยตัวเองแล้วเออมนเริ่มเห็นสุขอย่างที่มันเบาขึ้นมาจริงๆริงมันสุขอย่างนี้แหละ ที่ทำให้เราก็ยิ่งชัดเลยคราวนี้มันไม่อยากไปนอนหลับอยู่กับกิเลสเก่าเก่าของเราแล้วมันอยากจะตื่นมันอยากจะลุกขึ้นมามันอยากจะไอ้ที่เราไปจมอยู่กับแหมไอ้ของเน่าเน่าเสียเสียของที่มันพูดยางไงว่าทาให้เราทุกข์มาตั้งนานเนี่ยโอ้โหพอลุกออกมาได้นี่มันเบามันสบายรู้สึกเนื้อตัวหอมขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ เหมือนกับคนที่จมอยู่ในหลุมหลุมอุจจาระเนี่ยหลุมขี้แล้วมาก็เอามาพูดบ่อยนะเพราะแหมมันชัดจริงๆเลยเลยชอบเอามาพูดบ่อยอันนี้พระเจ้าท่านเปรียบเองในพระไตรปิฎกเหมือนกับคนที่จมอยู่ในหลุมขี้เนี่ยนะไอตอนจมอยู่มันก็อยู่ได้นะอแล้วก็อยู่ไปมันก็ดมไปอะไรไปบางทีก็มีความสุขไปเราเคยเล่านิทานเนี่ยมันจะต่อไปนิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อยอั่นวาเหมือนเหมือนนอนนอนในกองขี้ นะนันมันกินกินขี้เป็นอาหารดินะอ่ามันก็อร่อยร่อยกับขี้ที่กินเนี่ยแล้วก็มีความสุขนะเทวดามาบอกว่าโอ๊ยออกมาเถอะขี้มันเหม็นนะ่นะะเทวดามาบอกยังไงก็บอกไม่ไม่นี่แหละโอ้โหนุ่มดีจังเลย <c oughs> นะ่หอมจังเลยนะมีกลองกินมีอะไรให้เสพสบายเลยไม่ยอมออกมาจากกองขี้ <c oughs> เหมือนกันพุฎาทั้งกับเปรียบเนี่ยมีชายคนนึงเนี่ยอยู่ในกองขี้ ตอนแรกเขาก็มีความสุขอย่างของเขาอย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเหม็นมันสกครกมาอะไรยังไงเพราะเขาอยู่จนชินเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยบางทีเขาเคยชินแล้วเพราะฉะนั้นกลิ่นที่บอกว่าเหม็นๆนี่มันก็กลายเป็นปกติเป็นธรรมดาในชีวิตเขาเขาก็เห็นใครๆก็เป็นอย่างนี้นี่อ้าวเพราะงั้นเขาก็วาดอย่างนี้แหละเป็นความสุขของเขาต่อเมื่อมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเอาเขาออกมาจากหลุมขี้นั้น เสร็จแล้วเอาขึ้นไปเลยเขาี้เอาขึ้นไปอยู่บนปราสาทนะเอาไปอาบน้ำอาบท่าพรมน้ำหอมให้โอ้โหเอาอาหารดีๆมาจัดให้เขากินไม่ต้องให้กินขี้แล้วไม่ต้องให้กินอุจจาระแล้วคราวนี้เขาได้กินของดีๆเป็นแบบโลอุตจระเนี่ยแหละเออได้กินของดีๆไม่ต้องไปกินแบบของเก่าแล้วนะที่มันสกรปรกมันเน่าเหม็นโอ้เขาถึงค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าโอ้โหอย่างนี้เหรอ โอนีมันสุขมันสบายกว่ากันนี่กินน้อยมือลงมาได้มันสุกว่ากันอย่างนี้เหรอไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ได้มากินแค่พืชผักผลไม้โอ้โหมันสบายปากมันสบายท้องล้วมันสบายจิตสบายใจอย่างนี้เหรอนะไม่ต้องไปตามแฟชั่นเขาเนี่ยเรามีแฟชั่นของตัวเราเองไม่ต้องไปตามใครโอ้ยสบายอย่างงี้เหรอเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเขาเริ่มมีความสุข หน้ากับความสุขที่สุดวิเศษอย่างนี้ได้แล้วคราวนี้พู้เจ้าท่านบอกว่าถ้าลากคอคนนี้นะนี่อัตมาสำดวนอัตมาดูเดือดเองนะคือถ้าลากคอคนนี้เอาไปโยนลงหลุมขี้ใหม่เนี่ยเขาจะยอมไหมเขาจะไม่ยอมเนี่ยเป็นการอุปมาเปรียบเทียบของผู้เจ้าจะไม่ยอมเลย เพราถ้ายิ่งใครปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถือศีลห้าขึ้นมาได้ถือศีลแปขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาได้ได้จริงนะไม่ใช่ได้โดยสมมุติได้จริงๆแล้วคุณจะไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนจากอะไรอะ่ะศีลแปไปเป็นศีลห้าศีลห้าไปเป็นศีลหนึ่งคุณจะไม่เปลี่ยนแน่นอนจากศีลหนึ่งมาเป็นศีลศูนย์เลยอย่างเงี้ยคุณจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดถ้าคุณได้อริยสัจจริง เพนคนที่ได้จริงเนี่ยยิ่งได้มาโอ้โหพอถือศีลห้าได้ดีนะโอ้โหจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันสุขมากขนาดนึงนะเขาเขาเขาาจะรู้ทุกข์ของตัวเองขนาดหนึ่งแล้วเขาจะรู้การพ้นทุกข์ของตัวเองมาเนี่ยอีกขนาดหนึ่งต่อให้บางคนเนี่ยมีครอบครัวมีสามีภรรยามีลูกเต้าก็ตามแต่เขาก็จะเห็นทุกข์ขนาดนึงเลยว่าโอ้โหไปมีมากผัวมากเมียกว่านี้มันทุกข์ยิ่งกว่านี้ผัวเดียวเมียเดียวบางทีก็ แมงงองเงงงองเงงโอ้โหไม่ใช่สุขอะไรกันนะกันหนาหรอกใช่ไหมเขาก็จะเห็นอยู่แล้วะวันอันเนี้จะไปให้มีชู้มีอะไรต่อือไม่เอาอ่ะยุ่งวุ่นวายยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมรับรองว่ายัางไงก็ไม่เอาถ้าใครได้ฐานสินห้าจริงแล้วเพราะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็รู้ว่าโอ้โหถ้าทำสินแปดได้ขึ้นไปอีกเขาจะยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าเก่าเลย ที่ได้แค่ศีลห้าแล้วพอคราวนี้พอได้ศีลแปดโอ้โหสบายขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งโอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้าทำศีลสิบได้จะยิ่งสุขสบายยิ่งกับเก่าอีกเยอะเลยเคราวนี้คนนั้นอยากจะบวชแล้วอยากจะบวชเลยเพราะมันสุขกว่าจริงๆอ่าเนี่ยความสุขที่สุดวิเศษจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งนั้นแหละถึงมาบวชเลย ไม่เหลือบ้านเลยคนนี้ไม่เหลือครอบครัวเลยถามคุณตรงๆเอะนะอย่าโกหกกันนะคุณว่าเป็นโสดก็มีครอบครัวคุณว่ายังไงทุกกว่ากันก็ส่วนใหญ่ก็ตอบได้แล้วมันก็เคยไปถามที่ไหนที่ไหนก็ตอบได้แต่พอถามไปถามมาแล้วจะแต่งงานไหมแต่งแมเสร็จเลยทุกทีเลย เหมือนสมณะเราก็ถามอยู่ด้วยระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องข้าวไหนมีประโยชน์กกันข้าวกล้องแต่ถ้าให้กินกินอะไรชอบกินข้าวขาวอันนี้อัตมาถามเปรียบอย่างนี้นะแต่บางที่ท่านเปรียบก๋วยเตี๋ยวกับข้าวกล้องโอ้ก็เสร็จสิยิ่งเปรียกก๋วยเตี๋ยวกับข้าวกล้องอแต่เขายังมีนะถ้าจะเปรียบก๋วยเตี๋ยวอาตมาต้องเปรียบก๋วยเตี๋ยว เส้นกล่องกับก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวเส้นขาวเออะไรมีประโยชน์กันก็มีนี่อา้าวชอมาลอเนี่ยเขาทําเอาอะไรนะขนมจีนน้ํายาหรือน้าพริกอะไรก็แล้วแต่เส้นเขาเส้นกล่องนะอมกับเส้นขาว่ทั่วไปเขาก็เส้นขาวใช่ไหมอันนี้นี่ต้องไปสั่งเขาทําพิเศษนะให้เขาทาเป็นเส้นกล่องว่าอันนี้ผู้ที่รู้เท่านั้นแหละที่รู้แล้วเข้าใจายอย่างนี้ได้ก็เออจะกินในสิ่งที่มัน เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขด้วยนั้นเราวังอยู่อย่างหนึ่งอันนี้อาตมาเตือนสําหรับคนที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมพอฟังอาตมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกอ๋อก็ท่านบอกอย่างนี้ใช่ไหมสละออกแล้วเราก็จะพบความสุขแบบโลกุตละมากขึ้นคราวนี้ก็เอาเลยเชื่อนะพอกลับไปบ้านสละใหญ่เลย <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอสละไปเอากายกรรมสละไปนะพอสละไปเสร็จ ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างบางคนใส่บาตรก็ได้นะเอามาใส่บาตรเสร็จพอสละให้ไปเสร็จอ่าเผลอๆนะพอสละปั๊บหันหลังกลับเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหมีอีกคนหนึ่งใครมาไม่รู้นะปรากฏว่ามาเดินเหยียบเท้าเข้าเจ็บไหนว่าสละแล้วมีความสุขดูที่นี่ยสละแล้วโอ้โหเดินโดนเหยียบเท้าเลยทุกเลยนะ าบางคนก็ไปเข้าใจผิดอย่างนี้ซึ่งมันคนละเรื่องแล้วนะที่จริงมันคนละขั้นตอนที่จริงขั้นตอนนั้นนะ่ะต้องเข้าใจว่าการสลัดนั้นนะ่ะคนนั้นจะต้องรู้ด้วยว่าสลัดแล้วนั้นเป็นประโยชน์ยังไงแล้วมันดียังไงแล้วก็เป็นการเอากิเลสความโลภความหลงความหอบหวงของเราออกไปนะแล้ว เ, เราจะพบกับความสุขยังไงบ้างซึ่งคนนั้นจะต้องรู้จะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซึ่งถ้ารู้เข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ย คนนั้นก็จะแบบไม่ไม่ไปสละแบบชนิดเก็บกดระวางอันนี้เตือนไว้สําหรับคนที่สละแบบเก็บกดอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยเนะี่มีข้าวของอะไรเยอะๆก็บริจาคออกไปพอปรากฏว่าบริจาคออกไปเสร็จสมมติว่ า, ายกยกย่างวันนี้อ่านข่าวนะภรรยาเห็นหายเก่ า, เกาๆเห็นไอกระดาษเก่าๆอะไรเก่าๆของผัวของสามีเสร็จแล้วก็เลยโอ้เก็บ ไ, ไว้ทําไมรกเลอะ ก็เลยขายทิ้งไปเลยขายของเก่าได้เงินมาไม่กี่บาทปรากฏว่าผัวกลับมาหัยวย้วยใหญ่เลยโกรธใหญ่เลยเพราะปรากฏว่าหาหายเก่าที่เมียขายไปเนี่ยผัวเอาเงินไปซ่อนไปห้าหมื่นกว่าบาทอยู่ในไหายไปนั้นโอ้โหเลยต่อว่าเมียใหญ่เลยแต่ยังโชคดีว่าไปตามเงินคืนมาได้จากร้านขายของเก่านะอย่างอันเนี้ย ไปถึงก็โอ้โหเอาเลยเสร็จแล้วถ้าปรากฏว่าคนที่บ้านเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่พอใจด้วยก็ทะเลาะกันเลยนะคราวนี้ยเสร็จแล้วตัวเองไหนบอกว่าสละออกไปแล้วจะเป็นสุขไงคราวนี้ดูสิในบ้านจะพังไม่ใช่นะคนที่อย่างนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยขืนทําไปก็อาตมาว่ายิ่งทุกข์แล้วก็ยิ่งเก็บกดอ้อ น, นสอนไปเลยทําทานนี่พระเจ้าท่านสอน เราทำไปเนี่ยทำไปตามที่เราทำได้ทำได้ขนาดไหนก็ทำไปนะอย่าไปขี้โลภทำจนเกินตัวบ้างอะไรบ้างบางทีจะเป็นหนี้เป็นศีลเป็นอะไรไปอย่างนี้ไม่ไม่ถูกแล้วนะอย่างนี้ไม่เข้าใจเรื่องของการทำทานการเสียสละเสียสละแล้วเนี่ยต้องเป็นสุขนะใครที่เสียสละยังยังเป็นทุกข์อยู่แสดงว่าคนนั้นไม่เข้าใจการเสียสละไม่เข้าใจเรื่องการทาทาน แล้วบอกแล้วอย่าเอาอีกเรื่องหนึ่งมาปนกับอีกเรื่องหนึ่งนะบอกแล้วใส่บาทเสร็จแล้วก็โดนคนเหยียบท้าแล้วก็มาโกรธโกรธพระบอกว่าใส่บาตไปแล้วไม่เห็นได้มีความสุขเลย <c oughs> อันนี้มันคนละเรื่องกันเพราะจริงๆใส่บาทไเปเนี่ยเราเสียสละเราทำบุญไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าบุญเนี่ยแปลว่าทำให้เราได้ลดกิเลสลงาทาให้จิตใจเราเนี่ยเออไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปหอบหวงความโลภ ความหลงของเราเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยนี่แหละจิตอย่างนี้แหละทาให้เราเป็นสุขนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปหลงอะไรต่ออะไรเพราะงั้นใครเข้าใจอย่างนี้ได้คนนั้นก็จะเสียสละอะไรไปแล้วไม่เก็บกดเสียสละไปแล้วก็จะเป็นสุขจริงๆให้อะไรใครไปแล้วก็ไม่ใช่ต้องคอยมองตามว่าให้ไปแล้วเขาจะใช่หรือเปล่าเขาจะใส่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ใช่เขาไม่ใส่ให้เราก็ทุกข์เอา้า คุณเสียสละยังไงเนี่ยไม่ได้ให้จริงนี่อย่างนี้ไม่ได้ให้จริงเพราะให้ก็ต้องให้จริงๆเสียสละจริงๆแล้วถึงจะเป็นโลกุตระแล้วถึงจะได้ความสุขจริงๆอ่ะนะนี่พึงคข้อสองนะถึงอะไรเนี่ยอ๋อเป็นผู้ตื่นอย่างใช่ไหมสุดท้ายก็คือเป็นผู้เบิกบานเนี่ยนะเป็นผู้เบิกบานจริงๆแล้วในความหมายก็คือเบอิกบานในธรรม นะเบิกบาลในธรรมะเนี่ยแหละคําว่าเบิกบานในธรรมหมายถึงเราเบิกบาลในสิ่งที่เราทําดีได้หรือเบอิกบาลในสิ่งที่เราเสียสละได้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมร้อยต่อกันไปหมดเลยเป็นผู้รู้ใช่ไหมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเนี่ยคุณทําไปในขณะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอาจมาถึงบอกคุณใส่บาตรพระไปเนี่ยถ้าคุณเข้าใจถูกต้องแนละ้ว คุณรู้ทุกอริยสัจนะคุณเสียสละไปคุณรู้แล้วจริงๆสละไปนี่จริงๆเราสูญเสียถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแต่เพราะคุณเข้าใจทุกอริยสัจคุณก็เลยแทนที่จะเป็นทุกข์ขาอนี้เออสละออกไปนี่มันเป็นสุขมันไม่ได้เป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วไม่ได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์แบบโลกโลกเาแล้วเพราะฉะนั้นคุณสละออกไปเนี่ยคุณก็จะเป็นสุขเพราะฉะนั้นการเป็นสุขอย่างนี้แหละคุณจะเบิกบานเบิกบานในการทําดีเบิกบานในการเสียสละจะไม่เก็บกด เพรใครทําดีอยู่แล้วยังทุกอยู่เนี่ยคุณยังเข้าไม่ถึงพุทธะจิตคุณยังเข้าไม่ถึงพุทธะคุณยังขาดความเบิกบานในธรรมเนี่ยเบิกบานในการทําดีนะอันนี้พูดข้าวๆก็แล้วกันวันเนี่ยพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้แค่เป็นข้อที่หนึ่งของพระรันาตนไตยเท่านั้นเองนะเนี่ยเป็นพระพุทธเท่านั้นเองที่เราจะเอาเป็นที่พึ่ง ส่วนพระธรรมเหล่านี้สรุปเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าอ่าเนี่ยก็คําสัมพสอนหรือว่าอะไรที่ดีๆไม่ต้องว่าเป็นพระมาสอนเรานะพระธรรมพระธรรมคําสอนนี่ไม่ต้องว่าต้องเป็นคําสอนจากพระไตรปิฎกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่จําเป็นหรอกคําสอนที่ดีๆอ่ะใครก็ได้แม้แต่บางทีลูกสอนพ่อแม่ดีๆก็มีถูกต้องไหม เอาก็มีหรือน้องบางทีสอนพี่ดีๆก็มีลูกศิษย์สอนอาจารย์ก็มีที่สอนอะไรดีๆให้ก็มีหรือบางทีไม่มีใครมาสอนเราหรอกแต่เราไปพบไปเห็นเขาโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้อาการอย่างนี้ที่เขาทำนั้นน่ก็เหมือนกับครูของเราเหมือนกันเราไปพบไปเห็นมาก็สอนเราได้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าพราธรรมนะคือความรู้หรือว่าความดีที่เราพบเราเห็นเรารู้แล้ว แล้วเอามาเอามาระ ล, ลึกเอามาอยู่ในจิตในใจเราเอามาหมันเตือนสติเราอยู่เสมอเสมอเพราะทำไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าใครฟังไปแล้วเนี่ยต่อให้จําได้ด้วยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสมมุติว่าโดยเฉพาะเริ่มแบบว่าฟังเสร็จตอนนั้นอาจจะรู้นะจําได้แต่เป็นไงพอลุกขึ้นมาปั๊บอกองไว้ที่วัด อืปรากฏว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยไอ้ที่ฟังมานี้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยหรือบางคนจําได้เอา้าจําจนกลับไปถึงที่บ้านเลยแต่ปรากฏว่าไม่เคยเอาไปใช้อะไรเลยในชีวิตฟังไปแล้วก็เข้าใจฟังไปแล้วก็ตอบได้บางทีถามไปเนี่ยตอบก็ตอบได้แต่ไม่เคยเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆของตัวเองเลยลอะอย่างเงี้ก็คือศักแต่ว่าฟังไปเท่านั้นเองหรือว่าศักแต่ว่าจําไปเท่านั้นเองเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหี่ ก็อย่งเกงก็แค่เอาไปตอบคนได้หรือเอาไปสอนต่อคนได้แต่ไม่รู้นะผิดถูกยังไงเพราะว่าได้จะจําเอาไปนะเพราะฉะนั้นพระธรรมจริงๆเนี่ยต้องหมายถึงว่าเรารู้เราเข้าใจนะแล้วก็เอาไปประพฤติเอาไปกระทําได้ซึ่งการเอาไปกระทําได้นี่แหละคราวเนี้ก็คือประสงค์ประสงค์เขถึงบอกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องเอาไปทําให้ได้ พันผู้ที่เอาคุณงามความดีต่างๆแล้วเอาไปทาในชีวิตได้นั่นแหละคือพระสงค์คือพระสงคสง์เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิพันใครที่ปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นพระสงค์ไม่ต้องไม่ต้องมาบวชก็ได้การปฏิบัตินั่นแหละคือการบวชบวชเนี่ยปวชชะเนี่ยควาว่าบวชเนี่ย ก็หมายถึงว่าผู้ที่อ่ารู้ว่าไอ้นันไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีงดเว้นไม่ไปกระทํามันแล้วเราก็มาทําในสิ่งที่มันดีๆนี่คือการบวชเพราะไม่จําเป็นต้องโกนหัวอืมไม่จําเป็นต้องอะไรอ่ะมาอยู่วัดเลยก็ได้แม้จะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ที่ไหนๆก็เอะนะแต่อย่านะขอร้องนะมาไปปฏิบัติธรรมในแหล่งอบายมุก เออขอร้องเถอะให้สถานที่แบบนั้นมันก็เขาเรียกว่าอาโครจรทีมันก็ยา ก, ก น, นะแล้วมันก็ลําบากแล้วมันก็ไม่เอื้อมแล้วมันช้าอืมแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากหรอกมาปฏิบัติทำมีหมู่มีกลุ่มมีพวกดีกว่าเร็วด้วยแล้วก็รายละเอียดลึกซึ้งดีด้วย <S <S นะเนี่ยพระสงค์ก็คืออย่างนี้นะเพราะนั้น ป, าปราโกยเพราะคาถามเยอะแยะเลยนะ อาจจะมาตอบคำถามเดียวเองที่ว่าทำไมต้องสวดพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ต้องย้ำถึงสามครั้งนะน อ, อ่านคำถามให้ฟังขอทราบว่าทำอย่างไรจรึงจะรู้ว่าการได้ของตามใจเราชอบนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขครับ การที่ได้ของที่เราถูกใจอ่ะพูด ง, ง่ายๆเออจริงๆเนี่ยนะถ้าในชีวิตเราจริงๆเนี่ยอาตมาว่าทุกคนต้องเจอมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยแต่โดยปกติเนี่ยเราจะคิดแต่แงด่ดีๆของมันไอแง่ไม่ดีที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใส่ใจแล้วเราก็ไม่สนใจทั้งทั้งที่มันเกิดมาแล้วทุกมันก็เกิดกับเราเนี่ยแหละแต่เราไม่สนใจอาตมาถามง่ายๆ อย่างเราเจอของอร่อยของที่เราชอบเนี่ยใครไม่เคยเป็นบ้างเลยนะดูนะที่เจอแล้วเนี่ยปากบอว่ากินกินกินกินกินกินโอ้โหนะ้มันชอบมากเลยของเนี้ยถูกใจมากเลยโอ้ยิ่งหิวมาด้วยนะกินกินกินกินจนทั่งโอ้โหนแน่นท้องไมหมดเลยนะรู้สึกอึดอัดมากเลยนะทุกข์แล้วชักไม่สบายแล้วใครไม่เคยเจอสภาวะนี้บ้างเลยมีไหนที่เนี้ย เนี่ยแหลของที่เราชอบเนี่ยแะของที่ถูกใจเราบางคนเนี่ยกินจนอ้วกเลยอ่ะใช่ไหมหรือกินจนป่วยเลยนะบางคนชอบทุเรียนโอ้โหกินจนกระทั่งปากเปิ่แตกล้อนในอะไรต่ออะไรนะหรือบางคนกินจนกระทั่งที่ไหลเลยอ่ะก็เคยเจอมาเลยทั้งนั้น่ะแต่ไม่ค่อยจดไม่ค่อยจํำ <c oughs> ไม่ค่อยจดจําเลยแต่จําได้แต่โอ้โหอร่อยอยังไงออื <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงก็จะเอาจําแต่อย่างเนี้ย ใช่ไหมแต่ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่และเห็นอยู่แล้วพอคิดได้ไม่ค่อยยอมคิดเลยแล้วก็ไม่ค่อยยอมเอามาพิจารณาด้วยเพราะนั้นอย่างนี้มันมเห็นทุกข์จากไอ้สิ่งที่เราติดได้ยังไงมันจะไม่มีวันเห็นได้เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ยอมออกมาได้เลยรันถึงบอกจริงๆอ่ะมันมีทุกข์มันมีโทษมันมีภยัยมันมีอะไรอยู่หมดแหละคุณสงบหน่อยนะตั้งจิตให้เป็นตางกลางให้จิตดีๆหน่อย แล้วก็พิจารณาดูที่ข้อไม่ดีของมันทีละอย่างสองอย่างหรือถ้าคิดไม่ออกลองถามเพื่อนฝูงถามคนใกล้เคียงดูถามดูแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คำตอบเยอะแยะไปหมดเลยว่ามันไม่ดีอะไรบ้างาแล้วคราวนี้พอรู้มาเอามาพิจารณาจริงๆอย่าแค่รู้เฉยๆอีกเอาพิจารณาให้ถึงจิต ถ, ถึงใจแล้วให้เห็น เ, เห็นสภาวะเห็นสภาพจริงๆเลยว่าโอ้โหมันทุกข์อย่างนี้จริงๆ ยิ่งนึกได้ถึงบทเรียนเก่าๆของตัวเองว่าเออเราก็เคยทุกข์มาอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยจำหรือเราไม่ค่อยเข็ดเองอะ่ะไม่ค่อยจำแล้วก็ไม่ค่อยเข็ดพอเวลาเจอก็จะเอาเอาแต่สุขอย่างที่ที่เคยนึกเคยคิดไว้แต่ไอ้ทุกข์ที่เคยเคยโดนมานี่มันไม่ขึ้นเลยไม่ยอมเอาเอ า, เอามาเอามาคิดเพราะนั้นก็จะกินก่อนและอะไรบ้ากันีินลังขอขอได้กินก่อน ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นคนนี้ถึงเลิกไม่ได้เพราะงั้นคนจะเลิกได้จะต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ได้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เออคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะอ้าววันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้นะ